ธรรมชาดกแผ่นที่สิบลำดับที่แปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ 6. ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าอสอรพิษกัดชาวนาทั้งพระหม้พระเก่า หลวงพ่อไม่อยู่จับไฟร้อนไหมลองลองจับดูก็ได้นะหลวงพ่อไม่อยู่จับไฟร้อนไหมร้อนหลวงพ่ออยู่จับไฟร้อนไหมร้อนอก็เป็นอันว่าหลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในหลักพระธรรมวินัยถ้าพวกท่านทั้งหลายทำบาปหลวงพ่ออยู่ก็บาปหลวงพ่อไม่อยู่ก็บาปคือชั่วอย่างเก่า หลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ชั่วยอย่างเก่าพอทําความชัว่วถ้าทําความดีก็ดีอย่างเก่าหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ก็ดีอย่างเก่าเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าอย่าหลอกตอนเองเมื่อหลวงพ่อไม่อยู่ก็คึกขนองแมวไม่อยู่หนูขนองอย่อมได้เป็นอย่างนั้นพระกรรมฐานต้องสํารวมกายว า, ายใจให้เห็นโทษอยู่เสมอให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตอยู่เสมอแต่สิงไหนที่มันหนักหนา ปรึกษาปาลบกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยๆเหลือเจือจานกันขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่ถ้าว่ามีความจําเป็นจะต้องได้ใช้จะถูกปัจจัยก็ยืมไปเลยใครก็ได้ที่หลวงพ่อเคยบอกไว้แล้วแต่หลวงพ่อมาหลวงพ่อจะรับผิดชอบเองไม่มีปัญหาถ้าว่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยกันโรงพยาบาลโรงที่ไหน หลวงพ่อก็บอกแน่แนวไว้แล้วนี่ยก็รู้จักกันแล้วพระเนนเก็บใขรได้ป่วยอย่างไรพวกพวกเราอยู่ด้วยกันหลายองค์ก็ต้องได้วางแผนได้คิดเอาไว้เหมือนกันแต่ถึ ง, ย ง, งอย่างไงจะไปปล่อยให้กันเก็บใขรได้ป่วยตายไปไม่ได้นะช่วยๆกันคิดหลวงพ่อไม่ใช่ขีดตะหนีทีเหนียวนะสาหรับจตุปัจจัยที่ได้มาก็ไไ้มาเพื่อพระเพื่อเนรนั่นแหละที่เก็บไว้ให้เป็นสัดส่วนก็คือไม่ให้ ถ้าเก็บไว้ระเกณละกะเน่ยเหมือนกับของมีคมเน่ยทิ้งไว้เกินเดี๋ยวคนนั้นเตะคนนั้ถีบเดี๋ยวก็เป็นแผลเบื่อบะไปหมดเพราะฉะนั้นจะตุปัจัย่าไปว่าเป็นของดีทีเดียวไม่ได้นะอันรายนะพระพุทธเจ้า ว, ว่าอสรพิษอสรพิษนะท่านบอกอสรพิษนะตุปใจเงิเนเพราะนั้นก็ต้องได้เก็บไว้เป็นสัดส่วนพอสมควร แต่ไม่ไม่ได้เก็บไว้เพื่อใครอื่นเก็บไว้เพื่อพระเพื่อเนนนั่นแนหะเพื่อวงศสาคนาญาติของเรานี่แหละเวลาเก็บใครได้ปุ๋ยมีความจําเป็นก่อนจะเอามาใช้เนี่ยแหละที่หลวงพ่อได้สั่งเอาไวนะ้เนี่ยพวกเราก็คงจะเข้าใจว่าทําไมทําไมจึงว่าสารพิษเนะ่ยสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสวรรถีพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ วันนั้นพระพุทธองค์นั่งกัดสมาธินั่งภาวนาฮนะแต่ท่านก็บริยายว่านั่งภาวนานะ่ยทางว่านั่งตรวจ ด, ดูสัตวโลกคือจวนจะสว่างนี่คือเป็นเรื่องของพระองค์เองจะต้องดูตรวจ ด, ดูสัตวโลกนอกนอกขอบจักรวาลนนะั่นแหะแล้วก็ย้อนเข้ามาจนถึงวัดป่าเชตวันจนถึงบริเวณว่ามีอะไรที่จะต้องได้ไปช่วยในคราวนี้ในครั้งนี้พระองค์ก็เห็น ชาวนาเข้ามาในข่ายคือพยานเข้ามาในจอเรดาะคือท่านสายจอเรดาไปทั่วโลกก็ได้ท่านก็เห็นอชาวนาเข้ามาในจอเรดาของท่านอคือข่ายคือพยา น, ยานท่านเอจะมีเรื่องอะไรเออถ้าเราไม่ไปช่วยชาวนาเนี่ยชาวนาเนี่ตายฟรีแต่เมื่อเราไปจุดนี้น่ะชาวนาคนนี้จะได้สําเร็จพระโสดาบันแล้วก็พร้อมกันจะได้สําเร็จหลายหลายคน ได้จําหน่มรรคผลแล้วเกิดถึงพระไตรสทนาคมก็จะมีมากเราควรจะไปโปรดเขาในวันนี้ในเช้านี้จากนั้นพระองค์ก็ไปกับพระอานนุ์เดินปิณิบาตเดินออกจากวัดป่าเชตตะวันเดินไปก็ไปปานไปผ่านเดินไปก็ไปผ่านชาวนาน่านะนะแต่ในคืนนั้นเถรเนยโจรเข้าไป คือกำแพงกรุงสวรรค์ถีมีกำแพงร้อมรอบเคือ ก, กำแพงวัดของเราเนี่ยคงจะกำแพงใหญ่แต่นี้เขาก็เข้ามาทั้งอุมโมงค์เข้ามาทั้งท่อน้ําอ่ะคงจะไม่มีตะข่าย ม, มีไม่มีลวดดักเอาไว้มั้งสมัยก่อนคงจะหาเหล็กยกักยากนะแต่นี้เขาก็มุดเข้ามาตามอุมโมงค์อุมโมงค์ตะข่ายเอาอุโมงค์เข้ามาเขาก็มางัดแงะบ้านของคู่คนก็ได้เงินได้เงินได้ทองเขากด หมายตาไว้แล้วนะ่ะบ้านหลังไหนรวยฮะเขาก็ขึ้นมางัดงัดเสร็จแล้วก็ได้ทองได้เงินไปออกไปอุมโมงค์ไปตามกับเดินเดินไปก็ไปผ่านท้องนาพอผ่านท้องนาเสร็จแล้วเ้ อ, อถ้าหาว่าเราเอาไปเราอาจจะทิ้งเงินอ่เร่งเงินไว้ที่นี่ถุงเงินไว้ที่นี่ด้วยเพื่อเขาตามมาก็จะได้เห็นว่าเห็นเออไอ้ออ น, นี่แหละเป็นคนเป็นคนเป็นคนเข้าไปขโมย เนี่ยมันมันทํ า, าท่ามาไถนาเนี่ยเอีขโมยเขาก็มีแผนเหมือนกันนะเนี่ยว่ามีแผนมีแผนเอาความช่วยให้คนอื่นเพางัน้นอนะเอาแผนมีแผนเอาเอาความช่วยให้คนอื่นทิ้งความไม่ดีให้คนอื่นทีนี้ก็พอได้มาแล้วก็เขาก็ได้แล้วก็วิ่งมาผ่านเขาก็ทิ้งอถุงเงินไว้ในท้องนาถงหนึ่งไว้ในคันนาข้างๆจากนั้นโจ้ก็ไปแล้วทีนี้ อจํานวนอื่นเขาก็หอบไปด้วยนะ่ะทีนี้ก็ชาวนานี่ยก็ตื่นเช้ามากับแบกแหนไถมากับมาไถนากับบัวไถอีกคันอีกใกล้ๆกันนั่นน่ะอห่ไถใกล้ๆกันพระพุทธองค์ก็เดินเอไปกับพระอนนานุ์พระอนุนตามหลังพอไปไปแล้วพระพุทธองค์เห็นเห็นถุงซัพย์ เห็นทุงซับที่เขาวางเอาไว้อานน์เห็นไหมนะอสรพิษอานน์เห็นไหมอสรพิษเฮอานนเห็นไหมอสรพิษเห็นพระเจ้าข่าฮนะจากนั้นพระองค์ก็เดินไปเดินไปกับชาวนาที่อยู่ใกล้ๆของมึงก็ได้ยินเนลยนะพระพุทธองค์บวชนะอโนนอสรพิษเนี่ยนายคนนั้นก็โอ้ไม่ได้นะถ้ามันอสรพิษอยู่ที่นั่นเน่ะ มันก็จะกัดเรามันอยู่ใกล้เราเนี่ยเตรียมค้อนไปเรางั้นดะไปจะไปฆ่ามันว่างั้นนะฆ่าอสรพิษทีพระพุทธเจ้ากับพระอา น, นุ์เดินผ่านไปนะพอไปไปเห็นถุงเงินเลยน่ยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่อสรพิษดีปะถุงเงินในนาวว่างั้นเงินสมัยนะั้นเงินเหรียญใช่ไหมล่ะเต็มถุงเนะน่นจะจ่าถ้าก็จับเงินเหรียญไปมุมมุมมับมัฟแหละทีนี้เออขโมยเอาของเ ข, ขมรอะไร ว, ว่างั้นดะ ไปก็ไปซ่อนเอาไว้บ้านเนี้ยอืมพอไปซ่อนเอาไว้แตนี้นกันพวกตำรวจสันที่บานพวกตำรวจหมาอยู่ในเมืองกรุงสวรรค์ทีเนีคงจะมีตำรวจหมามั้งยังเขาจึงรู้ได้ขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้พระไตรปิฎกท่านก็ไม่พูดละเอียดท่านก็ออกมาตามรอยโจรมาตามตามตามตามมามาเห็นตัว น, นั้นเขาก็ตามอีกไปเห็นถุงซับตัว น, นั้นอีกแีพอเห็นถูกรับตัว น, นั้นก็ เขาก็จับชาวนาคนนั้นแล้วไพอจับมากัดมัดแขนทีนี้แล้วก็แส่หัวตัวฮะแกในใช่ไหมเออเป็นโจรเป็นโจรมาแล้วทำท่ามาัดไถนาเนี่ยฮะไม่ใช่ผมไม่ได้ขโมยผมไม่ได้เป็นผมเป็นเพิ่งเพิ่งมาจากชาวบ้านไงเอใครมึงเอาตะแกนี่ลอยตะแกนี่ เออเอาถุงเงินมอยที่นี่ทําไมเอามามาได้ยังไงออบอกว่าพระพุทธเจ้ากข้านอนนเดินผ่านมาบอกว่าท่านว่าอสรพิษอานอน์อสรพิษนี่ อ, อนอน์อสรพิษผมก็เลยไปเห็นไปเห็นก็เลยว่าเป็นถุงเงินผมก็เลยเก็บเก็บเอามามาไว้นี่แหละ ว, ว่าเป็นผมก็เอามาเก็บไว้เพราะว่าไม่มีเจ้าของเนะ่ะมันทิ้งไว้นั่นอ่แต่นี่ถามทีเทีอะไรมันก็ มันก็บอกอย่างนั้นเ่ยเขียนหัหลั้งทลายมันก็พูดอย่างงั้นใช่ไหมเลยพวกตำรวจก็จับมาถึงพระเจ้าเปรศน์พระเจ้าเปรศน์เออไม่ได้เนี่ยมันพาดพิงถึงพระพุทธเจ้าเลยนี่พวกเราจะต้องเอามันไปถามเราจะไปตรงลงโทษเฉลย ไ, ไม่ได้นะมันพาดพิงถึงผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะมีเหตุที่แล้วเนี่ยไปจับมันไปเลยจับไอ้ชาวนาไป ไปก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขานี่ชาวนาเนี่ยมันไถนาอยู่ตรงนั้นน่ะมันอ้างมันพาดพิงถึงพระพุทธองค์ถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหะอสรพิษอานน์อานน์ อ, อสรพิษเนี่ยเขาพาดพิงอย่างนี้เป็นความจริงอย่างในหนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์เออใช่มื้อเช้าเราต่อาคตเดินผ่านไปนั่นแหะก็เลยชี้ให้อานน์ดู วันนี้อานนอสอรพิอจากนั้นก็เดินผ่านไปชาวนานไม่ใช่ไม่ใช่โจรผู้ร้ายเอามาไถนาตามปกติแต่โจรผู้ร้ายอีกคงจะเป็นอีกกลุ่มนึ่งแต่ในพระพุทธองค์ก็ยืนยันลักษณะอย่างนั้นแ่ะจากนั้นเขาก็เลยพบะพุทองค์บดชาวนาทสดงโอ้ชาถุถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นสกีพยานข้าพระองค์คงจะถูกตัด เสียนวันนี้ตัดคอวันนี้เหมือนจากนั้นพระองค์ก็เลยเทศให้ฟังเวียนไัยในวัฏฏะสงสารมีมากมายทางว่ายังเวียนไหวาตายเกิดอยู่เนี่ยไม่รู้ใครจะหาเรื่องใส่ใครทั้งที่ชาวนาเขาก็ไม่มีเรื่องแต่ว่ามันเรื่องมาพลาดมาเกยอย่างนี้แหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนอย่ามาเกิดใ น, นดีที่จุดลักษณะอย่างนั้นนะพราะพทธองค์เทศจากนั้นท่านก็นเทศให้ฟัง ชาวนานได้กระเร็จพระโสดาบันจากนั้นก็มีใครๆบ้างได้สําเร็จมักสําเร็จผลมากถึงพระไตรัยชนนนคมก็มีนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านว่าเงินนี่คืออสโรพิษนะถ้าใช้เป็นก็เกิดประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นก็ฆ่าตัวเองก็มีนะคนเงินฆ่าตัวเองก็มีเหมือนกันนะทาไมเงินฆ่าตัวเองหาเงินมาด้วด้วยความยากลำบากไปซื้อ เอ่คันชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายา마เอ่อบางทีขายยาบ้ายา마เอาเงินตัวเองไปขายลงทุนอ่แล้วเพอเพอเพอ่จ้างเงินของตัวเองไปจ้างให้ฆ่าคนอื่นอีกเอ่ผลที่สุดผลที่สุดเงินตอนนั้นกเ็เลยมาเกี่ยวเนื่องกับตัวเองแค่ว่าใช้เงินไม่เป็นเนี่ยถ้าใช้เงินเป็นให้เกิดประโยชน์มาเลี้ยงครอบครัวพัฒนา ตนเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาประเทศชาติช่วยเหลือผีน้องผู้ทุกอยากลำบากก็เกิดประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็คือการใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยขอให้พวกเราทุกทุกองหนะ้พาพระเนนทุกองที่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้สำรวมกายวายจาให้เป็นผู้ตรงในศีลสมาธิปัญญาตอนเย็นกันนะพากันไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็ฟังธรรมเทศนาจากนั้นคอยแยกย้ายกันกับหลวงพ่ออยู่ยังไงไม่อยู่ยังไรก็ให้พวกท่านทั้งหลายอยู่ตามที่หลวงพ่อพาอยู่นั่นแหละความร่มเย็นเป็นจุกก็จะเกิดกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านทั้งหลายออกนอกหลูนอกทางทะเลบ่อแว้งกันจะหาความสงบสุขไม่ได้นะ มีแต่หลวงพ่อกลัวแต่หลวงพ่ออย่างเดียวหลวงพ่อไม่ใช่ยมพบาลนะหลวงพ่อไม่ใช่เจ้ากรรมนะเจ้ากรรมนายเวญนะไม่ใช่เจ้าบาปนายบุญนะบาปบุญพวกทันทั้งหลายทำเองทั้งนั้นหลวงพ่อเป็นผู้พานำหลวงพ่อทำบาปหลวงพ่อก็ได้รับบาปเหมือนกันหลวงพ่อทำบุญหลวงพ่อก็ได้บุญเหมือนกันเป็นของใครของเรานะไม่ใช่ทำทาเหลื่อมการทำกันทา แทนกันได้แต่ว่าเป็นผู้แนะนำตอนนั้นเองเป็นผู้พาดำเนินตอนนั้นเองเดินอย่างนี้นะ่าจึงจะถูกต้องเดินอย่างนี้ผิดยดเดินอย่างนี้ถูกอย่างนี้เป็นธรรมวินยัยเพราะละไพราหลวงพ่อเกิดก่อนบวชก่อนศึกษามาก่อนก่อนแนะนำพี่น้องลูกหลานให้เดินตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเองนะรับพรอนุอนโมทนาให้พร